ก็มีไปตั้งใจอธิษฐานจิตทำสมาธิภาวนาสุขตาสักพระเจ้ า, าจะนั่งสมาธิภาวนาเพื่อปฏิบัติูุทาระาาพุศลเจ้าทำมาสะสมเพื่อให้เจ็บของข้าพระเจ้า เป็นสมาธิสติปาวังรู้ธรรมเห็นธรรมตารมตามเป็นจริงในคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพรกประการเพลินอะโมอะโม สังโฆโคตุธรัมโมสังโฆโคุธรรมโมสังโฆแล้วสัรณ์เอาคำว่าโุตุเี่ยงคำเดียวโอ้ความลมเข้าโอ้ความลม ต้องการกหนดลมมันลำบากคนทุกโตโตโโเพียงทำเดียวจิให้เข้าหน้าว่าพระพุทธเจ้าพราธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตของเราเราจะกำหนดเอาจิของเราปรับทุกโตให้อยู่ด้วยกันไม่ต้อกาบตัในข่านต้ม ไปปยะจำบริกรรมภาวตาพุทโธพุทโธพุทโธพ ท, ทนึกพุทโธด้วยความรู้สึกเบาๆอย่าไปข่มจิตอย่าไปบงังคับจิตแปว่านึกพุทโธไม่จยุดู้กำหนดผู้ลมหายใจเข้าห้ายตั้งอ ความปรับพู้โตต่อผู้โตลมเข้าผู้ลมเข้าต่อ ล, ล, ล้อมกําหนดรูด้พร้ามกันอยู่อย่างนี้แล้วไม่ต้องไปนึกว่าเมื่อไรจิตจะสงมเมื่อไรจิตจะวางเมื่อไรจะรู้โน้นเห็นนี่ไม่ต้องไปนึกทางนั้น หน้าที่เพียงแค่นึกบริกรรมภาวนาผู้โธอยู่ในจิตอย่างเดียวจิตจะสงบให้เป็นเรื่องของจิตเองจิตจะไม่สงบก็ให้เป็นเรื่องของจิตเองหากในขณะใดจิตยังนึกผู้โธ ก็โโตก็โตอยู่ก็ลยให้นึกอยู่อย่างนั้นขณะได้นึกโตไปเกีอยู่ก็ตนงวางอยู่เฉยๆแต่รู้สึกกายเบาจิตเบาายสงบจิตะงบเมื่อสงบจากทุกขเวทนาหายปวดหายมืย ให้เอนแม่จิตจะไปนิ่งอยู่เฉยๆปลอดลอยให้นิ่งอยู่อย่างนั้นหลังจากนั้นถ้าว่าจิตหยุดนิ่งไม่ถึงสิ่งใดเลยให้จิตพิดไปแต่ให้มีสติตามรู้เรื่อยไปทํ ร, รมชาติของจิต้ามีความคิด ถ้าเราตั้งใจกำหนดรู้เขาจะหยุดคิดแล้วกิดความบ้างขึ้นมาให้กำหนดรู้อยู่ที่ความบ้างอ้าคิดรู้อยู่ที่ความคิดสนับกันไปอย่างนี้อันนี้เป็นการภาวนาในขั้นก้ เอาแว่านักปฏิบัติของเรายังไม่ได้สมาธิที่แน่นอนเอาที่พิจารณาดูความเป็นของนักปฏิบัติทั้งหลายทั้งแบบกิจและธรรมผู้ที่ทำจิตให้เป็นสมาธิได้จริงๆไม่มีน้อยสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะ นักปฏิบัติทั้งหลายไปคิงสุก่อนทำรู้รู้ตามสัญญามากกว่าความเป็นจริงเราสำคัญว่าเรามีความรู้เรามีความเห็นแต่มันเป็นความคิดรู้เอาโดยสัญญาเป็นแต่เพียงสติปัญญาธรรมดาแต่ยังไม่ใช่ปัญญาในสมาธิ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 แล้วสติปันี้จะคอยระมัดระวังอยู่ที่ตาหูสมูกลิ้นกายและใจมีการเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาถาเวลาอยู่นิ่งๆค น, นเดียวจิตวิ่งเข้าไปสู่สมาที่วามคิาพิจารณาอยู่ภายในกายในิจ แต่ถ้ามีสถานการณสิ่งแวดล้อมที่ผ่านเข้ามาในทางตาหูจมูกกลิ้นกายในใจจะมีสติสัมปชัญญะรู้ทอมอยู่ที่ตาหูจมูกกลิ้นกายในใจเมือเราลงบันไดไปสู่สังคมของโลกสติสัมปชัญญะจะรู้ทอมอยู่ที่การก้าวตัวเวลาหยุดเติน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 สติสัมปชัญญะจะรู้พร้อมอยู่ที่การดึงเวลาทำอะไรสติสัมปชัญญะจะรู้พร้อมอยู่ที่การทำเวลาพูดสติสัมปชัญญะจะสำหนดรู้อยู่ที่การพูดเวลาคิดสติสัมปชัญญะจะตามรู้วามคิดตลอดเวลา เมื่อสติกำลดตามรู้สิ่งหาวิอยู่ทุกขณะิตทุกลมหายใจมีปัญหาข้องใจอะไรเกิดขึ้นจิกจะมีสติกำลบพิจารณาสิ่งนั้นตั้งแต่ต้นจนปลายจนรูหิรูปรู้ผมได้ผมเสียแห่งสิ่งนั้นนั้นสิ่งใด ที่ทำลงไปโทษลงไปเคิบลงไปมันจะมีแต่ผลเสียสติสัมปชัญญะจะคอยกระตุ้นเตือนบอป้าเปรย์เองว่าอย่าอย่าอย่ า, าสี่งใดที่จะเป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นทางคดคุณนั่อทำที่จะปฏิบัติจิตให้ไปสู่มรรคเนปธานสติสัมปชัญญะก็จะกระตุ้นเตือนให้รีบเร่งบันคายัน เรามีการเกี่ยวข้องกับคนอื่นเรามีความหวังดีต่อคนอื่นจากจะให้เขาประพฤติปฏิบัติชอบเมื่อเราให้คาและําสั่งสอนตัเกเตือนเขาถ้าเขายอมรับเด็กข อ, องเราจะทำหน้าที่ให้การอบรมตัเกเตือนสั่งสอนโลกไป้วยความเมตตาบานี้ด้วยความหวังดี ที่จะช่วยประยุงความก ร, ระตุปาราตาในใจให้มีระดับสูงขึ้นแทนการสงเคราะห์กันด้วยธรรมปนการแสดงความเมตตากันโดยธรรมแต่ถ้ากูช่วงใดผู้ใดไม่ยอมรับฟังอว่ า, วาทำต่างๆเหตดของผู้รู้พิจารณาแล้วว่าทำไปก็ไม่เกิดประโยชน์ นอกจากจะทำให้โภมีการร้าวรานแตสกสามคีซึ่งกันและกันก็ถูกเสียผู้ที่มีสมาธิมีสติมีปัญญาจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะการประต้อปฏิบัติธรรมนี่มันข <c oughs> ึ้อยู่กับสมรสภาพของผู้ปฏิบัติเองสมเด็จสศมา ส, มสามภูเกจาไม่เคยกล่าวอ้างว่าฉัน ย, ยืนมักผลนิพพานให้เธอเธอจงรับเอาด้วยมือทั้งสองข้างไม่เคยดีคำกล่าวไว้ที่ไหนแต่พระองค์จะกล่าวว่าอภสาตาโรสถาคตารละสถาพปเป็นแต่เพียงผู่บกเบาปทางบุญทางกูศลทางบุญทางบาปทำสิ่งนี้เป็นบาปทนสิ่งนี้เป็นบุญ กำหลดทำเจต่า อ, อารมณ์สิ่งรู้ทำปติให้มีสิ่งละลึอที่เพิ่มได้สมาธิได้สติปัญญารู้ธรรมเห็นธรรมตามตา ม, ตามเป็นจริงแต่จริงเานั้นเราตถาคตจิ็บยืนให้เธอไม่ได้เธอต้องละกำลังกายกำลังใจประพฤติปฏิบัติ่อบรีรบุรุ ราสละที่เหตเท่าโูนรงสงฆามโดยไม่ย่นย่อไม่ไม่ย่อท้อและไม่มีความบาดเจ็งศัทธาปินิหารของข้าศึกแม้แต่ประการใด น, นักปฏิบัติทั้งหลายผู้มีจิตใจเข้มแข็ง ย, ยอมยอมเสียสละที่เหตุทั่วภูชาข้อวัดปฏิบัติ ไม่เห็นแก่ความสุขเพียงเล็กน้อยไม่เห็นแก่พาแกา่ป้อไม่เห็นแก่ความสุขความสบายสนุกเท่าสูงเพราะความสนุกเทดเสินความสบายที่เป็นไปตามประแสแห่งโลกโลกนั้นมันมีลักษณะเปรียบเทียบเหมนปจัจจัยพิษโคตรน้ำตาลแต่เรายังหลงอยู่ในราักลดสันสอนด้วยความสุขในอำนาจ นั่นเวเราหลงติดอยู่ในยาคิดคลวอบน้ำตาลเราบริโภคเข้าไปแล้วมันเกิดมีรสหวานแต่ก็ไปตกถึงท้องแล้วมันทำให้ปวดแสบปวดร้อนเราฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่เราทำไปเราคิดว่ามัป็นทารถูกต้องตั่มันถูกต้องตามควา ม, ามรู้สึกนกคิดของเรา แต่มันไปผิดกดของธรรมชาติที่มันจะทำให้เกิดบาปตันในขณะที่ทำเราอาจจะมีความดีใจสนุกเพลดเพินแต่เมื่อทำลงไปแล้วเราจะรู้สึกว่าเดือดร้อนเพราะการทำผิดถ้าทำา่าปในมันจะเกิดเดือดต้อนวิตกติสารอยู่ตลอดเวลาเปลียบเหมือนตะโนผู้ร้ที่ไปที่ต้นตัดช่อง ยัง่งเบาแย่งทิ้งทรัพย์สมบัติของตนอื่นมาเป็นของตนในขณะที่เขาทําการอยู่นั้นได้มาซึ่งสิ่งที่เขาต้องการเขาดีอกดีใจบางทีกท็ทีสิ่งก็ความสุขก็ได้สิ่งนั้นมาแต่ความสุขที่เขาได้มานั้นสิ่งที่เขาได้มานั้นนั่นแหลคื อ, อยาพิษตัวน้าําตาล ก็บาดระแวงเอาไปไว้ที่ไหนก็บาดระแวงทำความดืตดร้อนให้อยู่ตลอดเวลาดังนั้นสมณะหลานะุนะักบวชนักปฏิบัติทั้งหลายที่หาความรงรับทักดีหาความสู้สัตตอก็าธรรมวินัยหาความสู้ตรงต่อคำสอนของสมเด็จตัสมามสัมพุทธเจ้า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 เราโน้มจิตโน้มใจน้อมอารมณ์ก็ามาสู่ใจเพื่อให้รู้สภาพความจริงของใจของจิตเรารู้ว่าจิตของเรานี่มันยังเต็มไปด้วยเจตนาที่ชั่วร้ายเราก็พยายามปฏิบัติศีลให้มันเซ็งคัดเข้าสิ่งใดที่มันมีเจตนามีแนวโน้มไปในทางบุญทางกุศลทางความดี คามเสียสมาธิภาวนามากักสมไม่ผ่านทุกคธอบรมจิดของตนเองให้มีความตั้งตัวต่อความเป็นเป็นนั้ น, าา น, า น, านฐา น, จนจปีปามังสะโพตีติขาความอดรนความอดั้นความสมทานเป็นตปะกรรมคือความเพียรเผาปากจางยิ่งความโลภความโกรธความหลงความรับความโทษความเกลียดมีกันอยู่ เรามีเจตนามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติีปฏิบัติทอบพั่งประจักษ์กิเลสทั้งหลายเหล่านั้นส่ว <c oughs> นหรือที่เราจะปล่อยจิตของเราให้เป็นไปตามอำนาจของกิเลสโดยการประจาวสติสัำปัญญะความยับยั้งขัางใจหน่ะขันติความอบอุ่นเราเรียนทำเรียนวไิไหนเราฟังทำ ฟังวิทย์ไหนที่ครูบาอาจารย์เทศก็ดีวิทย์ในคำดีก็ดีเพื่อจะศึกษาให้รู้ว่าอะไรจิตอะไรถูกอะไรเป็นบนุญอะไรเป็นบาปอะไรเป็นทางสวรรค์อะไรเป็นทางนรกอะไรเป็นทางมรรค น, นิพพานเพื่อให้เรารู้และเข้าใจ เอาใจมาแล้วจะได้น้อมนำไปพอพบปฏิบัติตัดตายวาจาในใจของตนเองให้เป็นไปตามประกอบอแห่งพระธรรมวินัยที่ผูก้องในตอ น, น, น, นต้นแม้ ว, ว่าเราจะยังรู้สึกฝืนใจเรายังมีกิเลสอยู่เราเห็นตาเห็นลูกาวาทก็ความเปลี่ยนก็มี เมื่อเรายังมีกิเลสเป็นผู้ตัวตนอยู่โอ้ได้ยินเสียงความชอบความเปลียดจ่อมีเมื่อเรายังมีกิเลสอยู่ในเมือลิ้นความปัสกับรถความชอบความไม่ชอบย่อมมีเมื่อเรายังมีกิเลสอยู่เลิ่นมากระ ท, กรทอกตะมูความชอบความเกลียดย่อมมี เมื่อเรายังมีกิเลสอตูการสัมผัสทางกายสิ่งที่ทําให้เราชอบใจก็มีไม่ชอบใจก็มีเราโน้มถึงอารมณ์ในทางศีลอารมณ์อดีตปัจจุบันและอนาคตความชอบใจไม่ชอบความชอบใจไม่ชอบใจก็ย่อมมีเพราะเรามีกิเลสอยู่ดูปันที่ตรงนี้ดีไหม ตอวให้มันโลแกนชัดเจนลงไปว่าเรายังชอบอะไรอยู่ในสิ่งที่มันเป็นบาปอกุศลเรายังชอบอะไรอยู่ที่มันเป็นบุญเป็นกุศลเมื่อเรารว่าจิตของเราชอบหรือไม่ชอบเราจะปฏิบัติจิตของเราให้แปลสภาพไปในทางที่ถูกต้องรือจะปล่อยให้มันเป็นไปตามอารมณ์จิตที่มันชอบ หมายถึงชอบในสิ่งที่เป็นบาปอกุศลในขณะที่เราแก้ไขมันยังไม่ได้เราก็ต้องอาศัยสติสัมปชัญญะพิจารณาดูคุณว่ประโยชน์แหละไม่ใช่ประโยชน์เราใช้สันติความอดทนความอดกลั้นความทนทานจนมันเกิดเป็นสัพพกรรมพระความคยกินต่อการอ มันาเปรจนเป็นนิ็กใสิส็กใสหมายถึงความเคยชินที่แรกเราสร้างใจอดทนแต่ว่ามันอยากจะร้อนริดล่วงเกินจิตใจมันตึงตึหยิบหยิดอยู่เอาดีหรือไม่เอาดีแต่เราอาศัยความอดทนพยายามน้อมจิตน้อมใจถ้ามันไปในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรเมื่อปลดปลอมจนท้งนองตัวมันเป็นเล็กใส เล็ไใส่คือยตามคยชินตอนที่เรายังไม่มีศีลไม่มีธรรมการก้าวเดินของเราก็ไม่สุภาพเรียบร้อยกระโดดกระเด็ลงส้นดังตุงตูมไม่ใช่สันดาลผู้ดีแต่เมื่อเราพยายามอดทนค่กหัดค่อยย่ำย่ำเบาๆจนตวัวจนชินจนคล่องตัวห น, นับเข้าการเดินของเราก็จะ มีความสภาพเรียบร้อยสีเท้าก็เบาไม่ตึงตึงลงส้นมันอย่างแต่กอแล้วเมื่อเรากระทัดตรงคอยชินตนทอบคล่อ ง, งตัวแล้วต่อไปเราจะไม่ต้องตั้งใจว่าเราจะทำอย่างนั้นเพราะอาศัยความชล่องตัวนั้นวามเบาวามสภาพต่อโยูมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติแม้การประทับสิ่งอื่นๆ อ, อันเป็นไปด้วยกายก็ดี ก็ต้องอาศัยความอดทนอาศัยการฝึกหัดตรงข่องตัวจงเป็นเล็ดใสแม้แต่การพู ด, ดวาจาก็ดีก็ต้องอดทนพยายามหาคำพูดที่สุภาพอ่อนโยนมาเปลงง่งออกคำด่าคำเสียสีคำพระหานินทาหรือคำว่าร้ายหรือการตำหนิด้ว ย, จดดวยเจตนาที่จะทำลายเราอดทนไม่ทำเช่นนั้นก็เป็นผิดศีล อดทนด้วยคนข้างงตัวจนเป็นเน็ตใสจนเราพูดคำหยาบคายไม่ได้เกียตใจของเราก็สมควรอบรมให้มีแนวโ น, น้มบุญกุทศลก็ทำผสง์คุณศีลคุณญทานที่เราบำเพ็ญมาแล้วในอดีตปัจจุบันและจะทําไปในอนาคตจนกระทาั่งเกีตของเรามีแนวโ น, น้มไปในทางบุญทางกุศลตลอดเวลาเป็นเน็ตใส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 สิ่งที่เป็นอุปนิสัยที่สะสมอบรบ่มเอาให้มากมากมาเมื่อพ้นถูกขึ้นหนักแน่นลงไปเป็นวาสนาเป็นบารมีในเมื่อถึงขั้นแห่งอุปนิสัยวาสนาบารมีผล ง, งานความดีที่เราทำมาแล้วไม่ต้องลบถุงก็ได้มันมีอยู่ในจิตของเราตลอดเวลาเวลาใครจะตายไม่ต้องกลัว สิงที่เป็นอุปนิสัยวาสนาบารมีนั้นมันมีอยู่แล้วในจิตของเราเมื่อถึงเราจาเป็นเมื่อไรเมื่อถึงเราเกิดเหตุน้ยเมื่อไหร่อุปนิสัยวาสนาบุญบารมีนั้นมันจะพิ่งขึ้นมาช่วยช่วยจิตช่วยใจของเราเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจริงให้เราฝึกบรมตัดนิสัยให้คต่องตัวต่อการทความดีฝึกหัดนิสัย ต้งตัวต่อการละความทั่วคือความบาปหน้าที่ของผู้ศึกษาทำปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำบุญหน้าที่โดยตรงก็คือพยายามละความทั่วล้พล้มแต่ตั้งใจละโดยเจรนาศึกอดผลอดลมจนกระทั่งเป็นอกาจนเป็นเล็กใสที่เคยกินต่อการละเล็กใสที่เคยกินแต่เ พ, พราะปรุงารข นิสัยเป็นวาสนาบาครอะนะคนเราที่เกิดมมีฐานต่างสูงก่ากันบางก็มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดบางก็มีความโลภเต่ากลุ่มบางก็โลภจนกระท้างถึงขนาดที่ว่าทําฟังทำไม่รู้เรื่องฟังกระด้าไม่รู้จะเอาไปทําอะไรไปปฏิบัติอย่างไรทั้งนี้ทานั้นบอกะอุอนิสัยวาสนาบารมีเต่ากลุ่ม มาสนับปนุนให้เราเป็นเสนันความมังสะเงที่พักสติพระพุเทธเจ้าท่านตรัสว่าตัดทั้งหลายความย่อมจำแนกตัดทั้งหลายให้เป็นไปตา่างกันกคนมีความปรารถนาดีมีความต้องการดีแต่ทำดีไม่ได้เพราะอุปนณิสัยวัสนาบารมีของเขาเคยสร้างแต่ความไม่ดีมา บางคนสามารถที่จะสร้างความดีปฏิบัติดีปฏิบททัติชอได้ยังตั้งตัวไร้คำนิยทนานโดยไม่มีภาระอันใดให้คนอื่นต้องลาบอยู่นั่นก็บุ็นวาสนาบารมีของเ่าต้องเข้ามาสนับสนุนความเป็นไปต่างๆของสัตว์ทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าตรัสสรู้ พระองค์รู้ภคเทวะสารุศาสติยานุขาตในอดีตของพระองค์ได้รู้จูตูปปาติยานุการจุติและเกิดทั้งสองแบบทั้งหลายได้รู้กรรมมรรคกาญญาณุขัตทั้งหลายเป็นไปตามกฎของแบบในทางปฏิบัติเกี่ยวกับสังคมและบุคคลพระพุทธเจ้าท่าน i, ก mm. ็จะจำสอนแต่บ really in ุคคลผู้ที่ท่านสอนได้ คือเจ้าท่านสอนไม่ได้คือเทวทัตท่า น, านปล่อยตามบุญตามกันถึงแม้ว่าปล่อยตามบุญตามกรรมพระองค์ท่านก็ยังไม่ขาดเมตตาลองคิดดูที่สมหารุณาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุธทธเจ้าคือมีต่อท่านเทวทัต <c oughs> ท่านเทวทัตขึ้นไปบนยอดเขากิ่สูงที่จะทาลายพระพุทธเจ้า เรียงก่อนเห็นลงมาหมายจะเหตุทัศพระพุทธเจ้าให้แหลกละเอียดเป็นจุลวิสุทธิ์พร ะ, ะองค์ทรงพิจารณาดูว่าราจิตของท่านเทวทัตทรงทราบว่าถ้าเทวทัตมาได้ทำร้ายเราแม้แต่นิดหน่อยเทวทัตจะ อ, อุกแตกตายจะหมดโอกาส ท, ที่จะได้กลับเสื้อกลับตัวเมื่อ่อนเห็นตะแกรงหินแต่กระเด็นมาพระองค์ยื่นกระบาดไปลองรับ แต่เก็บเห็นที่พระพิธีว่าท้าทายลงมานั้นสูงสังกัปปะพ่อพระองค์บิดขึ้นนิดหน่อยและเทวทัตตัวดีอกดีใจว่าเราได้ทําร้ายพระพุทธเจ้าสมกระุตแม้ไม่ตายก็จําดีแล้วก็ยังมีทีนิตต่อไปหรือกระทั่งรักนักเข้าพาลูกติดลูกหาาหนีไปจากพระพุทธเจ้าจะไปตั้งศาสนาใหม่แต่เสร็จแล้วไปไ ป, ไปมาม า, มาข้าท่านเทวทัตทำมานั้นปริจจกรรม เกจที่คอยเป็นสมาธิได้การสมาบัตเหอเฮิรนเดินอากาศได้ก็ทำให้เสื่อมสูญจากุณงานบามดีทำอา น, านันตริยกรรมเต็มปลอดภสมาธิก็เสื่อมสูญอิทธิฤทธก็คลังถลายบอกว่าถ้าจะไปไหนมาไหนเหอเรนเดินอากาศหลังจากที่ทำอานันตริยกรรมคนถ้าทำเสื่มอมไปแล้วไปที่ไหนก็มีแต่เดินซักๆักซักซักเป่าแปล่า ไปไม่ได้เหมือนอย่างอนท่านบุตบริษัทธทั้งหลายท่านจะทํำตามอะไรที่ท่านอดทนไม่ได้ทำไปเถอะเพ้ะ อ, อย่างเดียวจะไปเพ้อทำอนันตาริยกรรมก็แล้วกันอนันตาริยกรรมนั้นถ้าลงไปแล้วส่วนฐานับผลนิจานตั้งอยู่ในฐานภาลาชิฟ ค, คือผู้ใข้แม้ในพระพุทธศาสนาอย่าทํามันบาปนะ เล่งฆ้าพิดาสองข่ามารดาการทำรายสัพเพ้าให้หอโลกโลนิ พ, ลพุทการฆ่าพระอาราการาอาสี่่าพระอรหัห้ า, าทำลายสงให้แตกกันระวังนะเวลาพระวัดใดวัดตึงกันผลระโยกกันแตกสามัคคีกันแะเลาะแก้งกันญาติโยมอยไปสนับสนุนฝ่ายใดฝ่าย แต่ก็มีด่ามีโยงกันก็วยะนะบาดผลประโยชน์กันแล้วก็ออบาดทะเลาะดีเสียงกันต่างคนก็ต่างมีลูกศิษยทั้งละังโยงแต่กันเป็นขากันวยกพวกขึ้นมาลบกันหาถ้าสง์แตมมนกนับนาทีกันเป็นกลุ่มนังจะฝ่ายละสีลูกขึ้นไปนั่นเป็นสังเทศในสังฆเทศแล้วก็เป็นอนันตริยกัรมทำลายสงให้แตกกันบาดนับปาดนา ดังนั้นการทําบาปทำกรรมให้ระหวังอนันตาริยกรรมให้มากบาป ก, การทําบาปอย่างอื่นเช่นฆ้ามนุษย์เป็นต้นแต่ไม่ใช่พ่อใช่แม่ของเราไม่ใช่บุคคลดังกล่าวมาในห้าอย่างนั้นยังมีโอกาส ท, ที่จะได้บรรลุพระพุทธานเช่นพระองค์ุริมาฆ่านคนมาที่รับได้เก้าร้อยเกาสิบเก้าคนพอมาพบพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมไดุ้คุสมบทเป็นข้าสมในพระพุทธศาสนา ปฏิบัติสีนสมาธิปัญญาให้บริบูรณ์สมบูรณ์ได้สำเร็จเป็นพ ร, ระอรหันต์องค์หนึ่งในจำนวนแปดสิบองค์เพราะฉะนั้นไม่เป็นไรลืมเสียเถิดมาเปันอย่างใดที่เราทำมาแล้วยกเว้นอนันตริยกรรมถ้าสงสัยเข้าใจว่าเราจะเป็นบาเป็นกรรมจะปิดทางบ้าโผลนิกการให้พยายามคนจิตคนใจจะได้ไปแล้วเลือ่อมันเป็นอันขาน มันละลึกอดละลึกถึงไม่ได้เพรให้มันลึกถึงพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธบาเกิดมลืมความหลังบ่ไม่ลมความหลังแ้วจิตก็มาจดจ้องอยู่ที่คนนอกพรธเจ้าคือพุทโธมันก็ไม่ลกถึงบาปเก่าแก่ที่ผ่านมาแล้วจ็มันก็ไม่ได้ตายไปกังวลกับบาปในอดีตการลกถึงพุทโธเป็นผู้ทานุสติ เราเลิกถึงคุณสองพระพุทธเจ้าเรื่องนึกถึงก็งลุ่มแม่จิตไม่ก็ตามเพราะกานการทำสมาธิภาวนาในเบืองต้นนี้บางพยายามเอาสมาธิให้ได้แม้แต่เพียงอุปจาระสมาธิก็ยังดีแต่มันมีอย่างนี้นาญาติโยนตอนกาลมาเลชิเนนาโธสองปูเสียงใหญ่ท่านกล่าวว่า ปลูกใจเพื่อปราบมารคาหาปลูกใจก็คือทุตโตทุตโตทุกโตทีนี่มาร น, นี่ตัวขันธามาร น, นี่เป็นตัวสําคัญขันธามารก็คือร่างกายของเรานะั่นแหละนั่งไปน า, านมันปวดมันเมื่อยมันเก็บเหลังมันเกิดปวดเมื่อยเจ็บเือขึ้นมาแล้วตัวกิเลีประมาณมันก็มาแฝงคืออรรตกิความไม่ยินดีต่อการมิกิบัติ ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นมันกลัวตายถ้าปฏิบัติมากไปมันปวดหลายเดี๋ยวแข้งขามันบวมขาไปบวมแต่กลายเป็นง่ายเป็นเปรี้ยวโดยปฏิบัติต่อไปไม่ได้ภูกระเบนสมานทำทําลายทีนี้เวลาขันธรรมน์มันแสดงฤทธิ์มันขึ้นมาถ้ายิ่งในขณะใดที่เราภาวนาพระโอษพะโอษพะโอษิ์มันใกล้ใกล้จะสงกนั่นแหะขันธมน์มันจะแสดง ตัวให้กายปกทันดีความเจ็บปวดความปวดเมืย่ยมันก็บังเกิดขึ้นมาประเดี๋ยวปวดต้นคอประเดี๋ยวปวดหัวปรเดี๋ยวปวดตาระหว่างหัวเรียวหัวต่อเนี่ยระหว่างที่จิตมันจะเข้าสู่สมาธิปัดขาดจากร่างกายนี่แหละโอกาษาอันนี้มันจะบังเกิดขึ้นไม่เมันจะผัดลำพันแล้วก็ยจะกระโดดโลดเต้น ที่ี้ในตอนนี้ท่านักภาวนาท่านใดอดนทนพยายามเอาชนะมันให้ได้โดยไม่ยอมแพ้มันง่ายๆ่ต่อสู้กับมันจนสุดที่ใสที่จะสู้ได้เกงค่อยเปลี่ยนอิริยาบถโดยขาอดทนไปไปไปทนไม่ได้ก็ชนทน ไ, ได้ก็นทนจนต่อฟังมครื่งตัวจนทำนี้ทำนานจนกระทั่งว่าเรานั่งตลอดวันยั่งยั่งไม่คิดไม่เปลี่ยนอิริยาบถได้ แล้วภายหลังมันจะต่อสู้กับกันได้ในเมื่ากานในขั้นนี้ตอนนี้ไปแล้วต่อไปการภาวานาจะสะดวกสบายมากทําไมขันธมารมันจึงแสดงออกมาให้ปรากฏไมกิเลสประมาณก็มาย้ำเข้าไปอีกคิเลสทั้งหลายเนี่มันตัวเราจะหนีจากเพราะฉะนั้นมันจึงแสดงนิพมาปักฟังเราเราจะต้องปราบมันด้วยความอดทน ด้วยความอดกลัน้นด้วยความทนทานด้วยความมีสติสัมปชัญญะจนกระทั่งจิตเข้าสู่สมาธิกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแถมมีพีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งนั่นแหละเราจึงจะปราบขันธมารให้ขานท้นไปได้นี่ต้องพยายามเอาตรงนี้ให้ได้ หาเาตราใดที่เราเอาสมาธิในขั้นต้นนี้ไม่ได้แล้วเราพูดไม่รู้ภาษาคนกนึ่งจะโมจะหวัดชั้นก็เก่งโตก็เก่งพอหันหน้าเข้ามาแล้วทะเสียงกันอุตรุพ้วยฉะนั้นใครเรียบหลักการปฏิบัติแบบไหนอย่างไรก็ให้มันนั่งแม่โอ้โหโอ้โหไปยุบโน้ตคอนโน้ตยุบโน้ตคอนโนไปสรรมมาลหันก็สรรมมาละหังไป วิธีการปฏิบัติไม่มีเฉพาะแต่สามอย่างดังที่กล่าวมาแล้วเท่านั้นบางทีถ้าคิดเหยียดเลิกเราอาจจะนั่งหลับตาทำใจให้มันดูเฉยๆไม่ตั้ไมต้องตั้งใจไปคิดมันแต่ถ้ามันคิดแล้วกําหนดปฏิรู้ทันตีคิดแล้วโน้ตันตีคิดแล้วรู้ทันตีคิดแล้วโ้ตันตีไล่ตามมันไปอย่างนี้มันก็สบายดีเราตรงที่มันจะสามารถเข้าไปถูสราชที่ได้ แต่คนทั้งหลายก็ว่าอย่างนี้เยลยหลวงพ่อเคยเทศน์วาขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่ให้จิตอยู่กับบริกรรมภาวนาล่อยให้มันอยู่ไปแต่ถ้ามันทิ้งบริกรรมภาวนาไปเทียวอย่างอื่นก็ควรต่อยให้มันใ้างแต่อย่าลืมทำสติสมนดตามรู้มันด้วยไปลองลองดูมันจะพุ่งไหมถ้าเราจะเที่ยวว่าในขณะใดที่เราบรรลับจิตของเราให้หยุดนิ่งให้ อ, อยู่กับบริกรรมภาวนา ถ้าเร า, จ า, เาจะจะใจเคลจยร์แล้วจเคลีไปถึงไหนาจะตาดงแกคือจะลงห่วยลงเหี่ยวถึ้น่าถึงสวรรคลงแล้วลงจจะตามแก่ไปไหมมันเป็นถุดกำลังลมแรลอดูในโอกาสที่จิตมันจะสงบเป็นสมาธิเพราะการตามดูอารมณ์จิตนี่มันจะมีได้ไหมเอ้ยอันนี้มิจฉาทิเศษเพื่มเติมเถอะ กวนาโโโโโจิตมันจะสงบสว่างมีสมาธิมีปีติมีความสุขเสื่อมข้มติดตัวเอก็ทาไม่ได้ล้าก็ไปยึดอยู่นั่นนหะทีนี้ทีหลังเราคนอื่นเขายึดแล้วคลองแล้วยึดแล้วคลองแล้วจิตมันสงบสว่างมีปีติมีความสุขเขาได้ยิเข้าตัวไม่เคยยึดเคยคลองเขเขาพรหาว่าเขาปฏิบัติให้ถูกอีกแล้ปฏิบัติของเราอย่าเป็นเช่นนั้น ในพยายามทำใจให้มันเป็นกางต่อวิธีการปฏิบัติที่เก่าๆที่ติ้งเขี้งกันขัดกันแย่งกันอยู่นั่นนะเป็นแต่เพียงไปยึดอยู่ที่วิธีการเท่านั้นเองเป็นอย่างบางทีบางขั้นบอว่าภาวนาผู้โกผู้โกติดมันสงกเป็นสรรมชาติเท่านั้นแต่ไม่ถึงวิปัสสนาดอกบางทีของพระภาวนาเนี่ยเนาอฟังเนาะจิตสงบรู้ลมสว่างก็ตุข สมุปที่ปัจจานาภาวนาผู้ตอเจียนสงบตองนิ่งผู้วางตองเป็นสมปัติเราที่นี่เมื่อภาวนาสองอย่างนี้เวลาจิตสงบแล้วมันเป็นเหมือนๆกันนี่จะเรียกว่าอะไรเป็นสมปัตอะไรเป็นที่ปัจจานาจิตสงบนิ่งรู้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวรู้ไปรู้อยู่ในสิ่งสิ่งเดียวมันเป็นสมปัาิทั้งนั้นหละ จะได้เห็นที่สมองรวมเป็นสมถานนั้นมันก็มีวิปัสสนาอยู่ด้วยกันนั่นแหละมันมีอยู่ด้วยกันอย่างไรหลังการนั่งเราจะได้รู้ว่าสภาพปีตินี่ถ้าเราฝึออกฝนอบรมเรี่อมันแล้วมันเปลี่ยนได้เปลี่ยนจากความหุ่นวาไปสู่ความสขขงบเหนียวยือกเย็นเปลี่ยนจากความเ ด, ดือดร้อนไปสู่ความสุขความเยือกเย็นเพียงแค่นี้ก็มองเห็นแล้วว่าปานปีตน แต่จิตไปกำหนดสายความเปลี่ยนแปลงกขากำหนดรู้อ น, นิจจังสิแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงต่อใครมีจิตสงบเป็นสมาธินิ่งซุกลงไปสว่รรค์ต้นขึ้นม า, ารู้ตันตีว่านี่คือสมาธิความสงบนิ่งของจิตเป็นสมาธิคดูสมถะความรู้ว่าสมาธิเป็นอย่างนี้จิตสงบเป็นสมถะเป็นอย่างนี้เป็นสมาธาิเป็นอย่างนี้ ตารเลแก้นเห็นจริงหายสงสัยนั่นคือวิปัสสนาไม่ไี่ยกหาเสียงกันให้มันปวดหัวต่องทำไหเงี้ยในแก้การแก้ปัญหาเรื่องธรรมะต่างๆในแก้กันที่ตรงไหนอะแก้กันที่ตาหูจมูกปีนกายใใจจับโทนาสัมปะโรสาตองการสำหวงจาเป็นการดี สาธุโสเทนะสังมาโลปานสัมบูรณ์หูเป็นการดีคาเนนะสังมาโลสาธุปานสัมบูรณ์จมูกเป็นการดีคิวฮยะสัมสาุานสัมบูรณ์้นเป็นการดีกายะนะสังมาโลสาธุสัมบูรณ์กายเป็นการดีมานาสาสังมาโลสาธุการสัมบูรณ์ใจเป็นการดี ว่าพระตาสามัคคีโสคิดโสสัมมวลในที่ทั้งปวงยอมทนจากทุกข์มัน้นอย่างไรสัมมวมตาเนี <ans> ่ยสัมมวมอย่างไรมีตาแล้วไม่ดูมันหรือไม่ใช่ดูแต่ต้องให้มีสติอย่าให้มันเป็นตาหาเรื่อหูได้ยินเสียงก็อย่าให้เป็นเสียหูหาเรือ จมู ก, ก็อย่าให้เป็นกหาเรื่องริก็อย่าให้เป็นรินหาเรื่องายก็อย่าเป็นกายหาเรื่องเดี๋ยวกยกตัวอย่างเช่นประเทศละประมาฐานใหตดินมาเาจัดกิกตีครัง้งล้าให้คับอุมันทำไม่สมเกียตรติสมยศเราแม่มนลายเปนตายหาเรื่องแล้วมันจะตอนที่ดีๆ เพราะเะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่อยู่ที่การปก ต, ติสัมปจนะให้รู้พร้อมอยู่ที่ตาหูจมูกเลี้ยงายและใจสามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตปัจจุบันนี้ได้เป็นอย่างดีนั่นแหคือความมีปติปัญญาความรู้แก้เห็นจิงรู้ว่าอะไรเป็นบาปรู้อะไรเป็นบุญแก่บาปให้มันมากมากเพิ่มบุญให้มันมากมาก มันก็นการปฏิบัติปฏิบัติเพแต่มันอยู่ที่ความตั้งใจนะพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่าขาตาโลตัาขาคตาคตาขาพบเป็นแต่เพียงผู้บอกใครจะได้ดีได้ดีทั้งเอาแต่อีกอย่างหนึ่งก่อนที่จะจบบรรยายนี้ขอแนะนำวิตรีสร้างพลังมิต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 ให้เป็นวิหารธรรมเครื่องดูของใจนี่คือแผนการสร้างพลังจิตพลังใจการทำอะไรเป็นเวลาตรงไปตรงมามันเป็นการสร้างสัจจะบารมีหาใครมีสัจจะความจริงใจมีสัจจะบารมีใกล้ต่อการตรัสรู้าสัจจะความจริงใจแล้วยังขา พระเจ้บาบว่พระองค์ทรงเป็นพระโอษฐสัตว์บำเพ็ญบารรีไอเบว่เป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมมาานมะพร้าวพระอาลนเป็นพระเจ้าแผ่นดินทองพระนครหนึ่งเบื่อถึงหน้านะารพระฤาษีก็ออ่มาทางอาการมาพักอยู่ในสวนปุกยานของพระเจ้าแผ่นดินอานน์รียกพระเจ้าแผ่นดินอานนทรงทราบเสด็จไปเข้านมัสการถวายการองค์สำประการ แล้วบารมีที่ท่านสร้างร่วมกันมามันเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจให้เอาใจใส่กันพระดูสีก็อนุกพราะด้วยธรรมะด้วยอิทธิฤทธิฐานจิตในพราชาพราชินีมีความสุขความสบายถวายการอุปถัมภ์ด้วยการนิมนต์มาฉันจังหันในพระลัชษวังทุกวันทุกวั น, ท, วนที่ได้อยู่มาในการครั้งหนึ่งถ้าศึกมันมาระคิสชายแ ด, ด แต่พอชมผูแล้วมันก่อจราจมขึ้นมาพระเจ้ากัมดินยกท่าไปรากชงมอบหน้าที่การนุปทาพระฤาษีไว้กับพระราที่นีพระลาที่นี้ก็ชมธรรมพระละนาที่ทานพระชมเป็นอย่างดีแต่อยูวันหนึ่งเจ้ากัมพระราที่นีจัดสำรับมาวางไว้คอยแล้วคอยแล้วคอยเล่าย่าพ่อพระฤาษีก็ไม่เสด็จมาสักที พอฤาษีมาก็เหาะมาเข้าทางหน้าต่างไม่ได้เราพักพัมาบหมนย่างเราบางวั น, น, น, นันั้นภาวการณ์นี้คอยเล่าคอยเล่าจนทรงเหน็ดเหนื่อยก็เอนเข้วัดแล้วต า, ายลงใจไม่หลับไปรักอย่างสนิทตาย็เลยสีก็เข้าทางเข้มาบาัโกรน พอออกจากฐานสมาบัติ่้าวใจเวลาฉันจังหันแล้วที่ฐานก็นเข้าสู่สมาบัติมะทางอากาศพอมาทางอากาศผ่ขอขอานเสียงลมงรมพัดรูสีบางทีกดใช่สูกไม้บบางทีมันใช้หนังเสือบัติพ อ, อมาทางอากาศเสียงกระทบกระดังสูกกบบกระโดดขึกนะงมาภาในห้องห้องตัล ตลาที่ดีกำลังบันทมหลับกกระดุ้งองตึงขึ้นไม่ได้ระหว่างองลอยทุกสิ่งทุกอย่างตาการยั่วยวนให้พลูสีเกิดกิเลสพอเสร็จแล้วทานพลูสีส่วนขาดทานยับยัง้งตั้งใจขาดสีทนไม่ไหวก็ตกตัดด้าพลาที่ดีเลยถันจังหันเสร็จหลังจะนั่นเบอ้อ ออกมาทางอากาศไม่ได้ต้องเดินเดินมาขันจังหันขันทั้งจังขันขัน ท, นทั้ทงเตนแล้วก็กลับไปสู่ส่วนอุปญานจนกระทั่งพระราชาปราข้าสุดสนุกลากข้าลงแสดง ก, กับพระราชาวังแ ล, ลง้วขนลุกตำนานก็คอยแ็บหุนว่าพระราษฎรีนี้ทำไม่ดีไม่ร้ายกับพระฤาษีแล้วพอพระองค์ทรงทราบพระองค์ก็พิจารณาด้วยวิจารณาจาร องรับแบบโดยการแล้วไทยว่าถ้าเราจะไปถามพระฤาษีถ้าพระฤาษีรับแบบเราก็จะรับอย่างนั้นปฏิญาณอย่างไรเราก็จะรับอย่างนั้นทีนี ng, ้ท้าเสด็จไปถามพระฤาษีว่าพระคุณก็พ้นอยจากนั้นจริงไหมพระฤาษีก็พิจารณาว่าโออพระราชาที่เขาก็รักผีเราถ้าเราจะโอกอบกองอ์ก็ต้องส่งเพื่อ แม้จะล้ก อ, อันายเราก็ตั้งบา ร, ร, รมีมีพวกาสาัตวนุแล้วจะมาเสียสัจจะเราจะทนไปตามความจริงดีกว่าพระราชานามาจริงไหมเล่าจริงพระเจ้าค่ะแม่พระคุณเจ้าเนี่ยขั้งเคร่งไดสัจจะบา ร, รมีใช่จริงจริงการกระตุ้นเจนี้มีโทษถึงคอค่ะถ้านครู้อยู่แล้วว่าเราเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ยอมร่บโทษผูกระทันผิบได้โดยอาจาโดยอำนาจของเ่าแต่ท่านก็ไม่กลัวการตายหน้าอัชญานะครับุมเจ้าเี่พระัุผเจ้าประพฤติล่วง ก็ได้รับอนุญาตแล้วพระ อ, องค์ก็มาพิจารณาว่าโอ้สั่งสิบธายบายก่อนิึงจะเข้าเราไข้สู่แดนมนุษย์นี่นะมาสู่แดนมนุษย์นี่ยมันมีแต่ใครอันตรายพระอาจารย์ของเราสอนไว้ว่าไปสู่แดนมนุษย์แล้วให้ระวังจัดมีเขาที่อกมันจะเป็นเอาตายเราก็มาเจอข้อ จ, จริงอย่างนี้สิอย่าด้วยต่อไปนี้เราก็มาใกล้มันอีกแล้ว แล้วเาก็ทฐานปิตเข้าฐานสัมมาบัตของนี้ไปอยู่ายาภายเมื่อปานตั้งแต่แบบนั้นจนก็ทั้งได้สำเเดจเป็นพระพุทธเจ้าจึงสด็จลงมาสู่โลกในความหน้าของสัจจ า, าระมีความจริงเทวตัวสิทูตัวสุไมโตขไรเิตละไปตา ม, ป, ามนานปิตูขันไปตามขุนการสร้างสัจจ า, าระี เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ควรจะได้ฝึกหัดตัวเองให้มีสติบาลมีบ้างเราก็ควรทนบ้างรวมบังทุกวันจะนั่งสมาธิทุกวันเดินจรงตรงทุกวันจะนั่งสมาธิ่อ ง, งมโมงหนึ่งก็นั่งให้มันได้สามสิบนาทีก็นั่งให้มันได้อย่างไรหรือนี่คือบารสร้างบาลมี โดยเฉพา อ, อย่างยิ่งหลวงปู่สอนที่ท่านสอนให้นอนสีุ่่มสืปีสามนอนส 4, 4, 4, ีุ่่มสืปีสามอันนี้เป็นหลักคำสอนในเกืดองของเขียวเข้มนักหนะถหาใครปฏิบัติได้แล้วท่านบอกว่ามันจะมีพลังสิตพลังใจมีสัจธรรมจริงใจเอาละนะพอสมควรแล้วผมพูดก็เปินใจผมฟังก็งผมเมือ่อยหิ้แย่ บกเห็นว่าพอสมควรแก่กาละเวลาจึงขอยุติการบรรยายธรรมะพอเป็นคติเตือนใจของท่านทั้งหลายด้วยเวลาเพียงเท่านี้กำหนดจิด่างไรเดินจงกรม ก, กับภาวนาพุโทโธพุทโธอย่างเต่านั่นแหละการเดินจงกรมนี่เราได้สร้างคติสัมปัตตะมากกว่านั่งหรือนอน เราต้องระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาการนั่งนี่มันสบายไม่ต้องไประวัง อ, อะไรนอนยิ่งสบายใหญ่การปฏิบัติเดินตรงๆนั่งกสมาี่เดินกันโดบติดนอนทักผนวันหนึ่งยี่สิบสี่ท่มโมง้าแบง่งให้มันเข้าากันได้ดีอ่าววันนี้เอาแค่นี้เนาะ